เห็นอสุภะในทุกคนนี่เรื่องที่อาตมาได้ปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าจะไปทำให้มันละเอียดหลายสิ่งหลายประการเอาให้ละเอียดอยู่ในใจนี้ถ้าเห็นรูปนี้ชอบรูปนี้เพราะอะไรก็เอารูปนี้มาพิจารณาดูว่าเกษาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟัน ตาโจ ค, คือหนังพระพุทธเจ้าให้เอาพวกนี้มาพิจารณาย้ำเข้าไปแยกออกแจกออกเผามันออกลอกมันออกทำอยู่อย่างนี้เอาอยู่อย่างนี้จนมันไม่ไปไหนมองพวกเดียวกันเช่นพระเนนเวลาเดินบินธบาตเห็นพระเห็นคนต้องกําหนดให้เป็นร่างผีตายซากผีตายเดินไปก่อนเดินไปข้างหน้าเดินไปเปเปปะปะ กำหนดมันเข้าทำความเพียรอยู่อย่างนั้นเจริญอยู่อย่างนั้นเห็นผู้หญิงรุ่นรุ่นนึกชอบขึ้นมาก็กำหนดให้เป็นผีเป็นเปรตเป็นของเน่าเหม็นไปหมดทุกคนไม่ให้เข้าใกล้ให้ในใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้ถึงอย่างไรมันก็ไม่อยู่หรอกเพราะมันเป็นของเปื่อยของเน่าให้เราเห็นแน่นอนพิจารณาให้มันแน่ให้มันเป็นอยู่ในใจอย่างนี้แล้ว ไปทางไหนก็ไม่เสียให้ทำจริงๆเห็นเมื่อใดก็เท่ากับมองเห็นซากศพเห็นผู้หญิงก็ซากศพเห็นผู้ชายก็ซากศพตัวเราเองก็เป็นซากศพด้วยเหมือนกันมีแต่ของอย่างนี้ทั้งนั้นพยายามเจริญให้มากบําเพ็ญให้อยู่ในใจนี้มากขึ้นอีกอัตมาว่ามันสนุกจริงๆถ้าเราทำแต่ถ้ามัวไปอ่านตาราอยู่มันยาก ต้องทำเอาจริงๆทำให้มีกรรมฐานในตัวเรา